เรื่องชชดินบูชาไฟภิกษุทั้งหลายพวกชชดินบูชาไฟมาแล้วพึงให้อุปสมบทไม่ต้องให้ปริวาทแก่พวกเธอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชะดินเหล่านั้นเป็นกรรมวาทีเป็นกริยาวาที